หนึ 1> 1. การดับเวทนาไม่ใช่สติปัฏฐานวงเล็บเปิดแมีนาคม2551ัในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที8วงเล็บปิดการเจริญสติปัฏฐานที่แท้จริงต้องได้ผลเร็วมีคำว่าในเครื่องหมายคำพูดเร็วด้วยนะถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถึงจะได้ผลเร็วบางคนแทนที่จะคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงกลับไปทำอย่างอื่นมีสอนกันนะ เช่นสอนให้ดับเวทนาบ้างดับจิตบ้างดับสังขารคือความปรุงแต่งบ้างหรือไปเกาะนิ่งอยู่กับความว่างบ้างเป็นตน้นการดับเวทนานั้นฝึกกันได้โดยการเพ่งรูปเช่นเวลาเราจะหยิบจะจับอะไรก็ให้เพ่งไว้ที่มือกําหนดไปเรื่อยๆนะให้จิตจดจ่ออยู่ที่มือไม่สนใจความรู้สึกตัวไม่สนใจจิตเรียกว่ามีสัญญาวิราคะเพ่งรูปแล้วมีสัญญาวิราคะ ในที่สุดเมื่อจิตเข้าถึงฌานที่สี่มันก็ดับเวทนาได้ดับเวทนาพร้อมกับอะไรก็พร้อมกับจิตนะสิภาวนาแล้วเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งทื่อๆอยู่ไม่มีจิตมันมีแต่วัตถุมีแต่ร่างกายไม่มีกิเลสถ้าศึกษาให้ดีเสียก่อนจะพบว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดับเวทนาจริงอยู่นะท่านพูดนะเครื่องหมายคาพูดเปิดเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับ ปิดเครื่องหมายคำพูดแต่ท่านไม่ได้สอนให้ดับเวทนาสับสนกันไปเองนะได้ยินว่าดับดับคิดว่าจะไปดับมันในความเป็นจริงเวทนาเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีเจตสิกและเจตสิกที่ต้องเกิดทุกที่เลยคือเวทนาจะดับเวทนาก็ทําได้ทางเดียวคือดับจิตดับจิตก็มีอยู่ภูมิเดียวคือพรมลุกฟักนี่เดินพลาด ตีความคําสอนคลาดเคลื่อนไปคิดว่าเวทนาดับตัณหาก็ดับอุปทานดับภพดับชาติดับทุกข์ดับคิดจะดับทุกข์ด้วยการไปดับตัวเวทนาถามว่าเวทนาเป็นองค์ธรรมชนิดไหนเวทนาเป็นวิบากนะวิบากเป็นผลของกรรมวิบากเป็นสิ่งที่ดับไม่ได้ถ้าผลมันหมดวิบากมันถึงดับเวทนาไม่ใช่กิเลสที่จะไปดับเอาตามใจชอบแม้กระทั่งกิเลสก็ดับไม่ได้ในความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุ ถ้าเหตุดับสิ่งนั้นถึงจะดับไม่มีใครไปดับอะไรได้ตามอยากหรอกทีนี้บางคนมุ่งไปดับเวทนามันไม่ใช่ดับอย่างนั้นปฏิจจสมุ ป, ปบาทมีสภาวะธรรมอยู่สิบสองขั้นตอนและสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นสามารถจําแนกได้เป็นสามส่วนคือบางสภาวะเป็นกิเลสบางสภาวะเป็นกรรมและบางสภาวะเป็นวิบากส่วนที่เป็นกิเลสได้แก่อะไรบ้างได้แก่อวิชชาตัวหนึ่งตัณหาตัวหนึ่งและอุปทานอีกตัวหนึ่ง อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยศสัสตร์สตัณหาคือความทยานอยากของจิตเป็นความอยากได้อารมณ์ทางทวารทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจลักษณะของความอยากก็มีสามอย่างคืออยากได้อยากเสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ากามตัณหาอยากให้สภาวะอันใดอันหนึ่งคงที่อยู่ตลอดไปเรียกว่าภาวะตัณหา อันนี้โน้มเอียงไปในทางอยากให้สภาวะดำรงอยู่เป็นสัตสตะทิฐิและอยากจะพ้นหรือดับสภาวะทั้งหลายทั้งปวงไปเรียกว่าวิภวตันหาอันนี้โน้มเอียงไปในทางอยากให้สภาวะขาดศูนย์เป็นอุดเฉททิฐิเช่นภาวนาแล้วอยากให้ติดดับไปหมดเลยเพราะถือว่าเป็นในเครื่องหมายคำพูดนิพพานความอยากชนิดนี้แหละเรียกว่าวิภวตันหา เมื่อยังมีตันหาผลักดันการกระทํากรรมอยู่ก็ย่อมไม่ใช่เข้าถึงนิพพานจริงๆหรอกส่วนอุปทานก็คือตันหาที่มีกําลังกล้า น, นั่นเองในปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาตันหาอุปทานนี่แหละเป็นส่วนของกิเลสกิเลสนี้มีหน้าที่ผลักดันให้เกิดการกระทํากรรมในปฏิจจสมุปบาทมีตัวที่เป็นกรรมอยู่คืออะไรคือสังขารและภพสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิด ดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารคือการกระทํากรรมคือความปรุงแต่งนั่นเองปรุงอะไรบ้างก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความไม่มีอะไรบ้างตัวที่เป็นตัวกรรมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวภพภพนั้นคําเต็มของมันคือในเครื่องหมายคําพูดกรรมมาภพ คือการทำงานของจิตด้วยอํานาจผลักดันของตัณหาและอุปทานดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าตัณหาปัจจยาอุปปาทานังอุปาทานะปัจจยาพระโวตัณหาเป็นตัวโลภะอุปทานก็เป็นโลภะที่มีกำลังกล้าเป็นกิเลสเหมือนกันและทำให้เกิดการกระทากรรมคือการสร้างภพในใจใจเราสร้างภพอยู่ตลอดเวลาสร้างภพน้อยภพใหญ่คือภพของมนุษย์ภพของเดรัจฉานภพของเปรต พบของอสุรากายพบของสัตว์นรกพบของเทวดาและพบของพรหมใจเราสร้างพบหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาพบพวกนี้ถ้าจัดกลุ่มก็ได้สามกลุ่มคือพบในกามาวจารภูมิอย่างหนึ่งได้แก่พบของเทวดามนุษย์เปรตอสุรากายเดชาชานลงไปถึงสัตว์นรกในรูปภูมิอย่างหนึ่งได้แก่พรหมโลกซึ่งยังมีรูปอยู่ และในรู ป, ปรภูมิอีกอย่างหนึ่งได้แก่พรหมโลกซึ่งปราศจากรูปจะเป็นภพภูมิใดก็ตามจิตเป็นผู้สร้างภพทั้งสิ้นก็เพราะมีตัณหาและอุปทานผลักดันอยู่ดังนั้นตราบใดที่มีตัณหาอุปทานก็มีภพเมื่อใดสิ้นตัณหาอุปทานก็สิ้นภพการทำงานที่สร้างภพนี้ก็คือการทำกรรมถ้าตัณหาดับจิตจะเลิกทากรรมถ้ายังมีตัณหาอยู่จิตจะยังทากรรมอยู่ สภาวะในปฏิจจสมุปบาทที่เหลือจากส่วนที่เป็นกิเลสและกรรมล้วนแต่เป็นวิบากทั้งสิ้นตั้งแต่สังขาราปจยาวิญญาณังสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยของผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยของเวทนาห้าอันนี้เป็นวิบากทั้งสิ้นทำอะไรไม่ได้นะเป็นผลของกรรมแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องรู้อย่างเดียว วิบากถัดไปที่เกิดจากพบก็คือชาติกับทุกข์คือชาติชรามรณะอะไรพวกนี้ความทุกข์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ควรรู้ไม่ใช่สิ่งที่ควรละละไม่ได้เพราะความทุกข์เป็นวิบากธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากนะเพราะฉะนั้นเวลาละนี่ไม่ใช่ว่าไปไล่ดับตัวโน้นตัวนี้เอาตามใจชอบต้องดูอะไรเป็นต้นต่อที่แท้จริงต้นต่อที่แท้จริงคืออวิชชา แล้วทำอย่างไรจะละอวิชาจะดับอวิชาได้ไม่มีใครดับอวิชาได้แต่ถ้าเมื่อไรเกิดวิชาอวิชาจะดับเองวิชาเหมือนแสงสว่างอวิชาคือความมืดทันทีที่แสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องมุ่งหน้าดับอวิชาแต่ให้มุ่งหน้าทำให้เกิดวิชาขึ้นมาวิชาอันแรกก็คือการรู้แจ้งในกองทุก ถ้ารู้ทุกแจ็บแจ้งเมื่อไรก็ละสมุทัยโดยอัตโนมัติเมื่อนั้นถ้าละสมุทัยเมื่อไรก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นถ้าแจ้งนิโรธเมื่อไร่ก็เกิดอริยมรรคเมื่อนั้นดังนั้นงานกรรมฐานจริงๆคือการรู้ทุกเมื่อรู้ทุกแจ็บแจ้งแล้วก็เป็นอันเกิดวิชาละอวิชาได้ทั้งหมดสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามกายใจนี้เองการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐาน เพราะฉะนั้นท่านนึงสอนว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวที่จะทำให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้หน้าที่เราต้องรู้กายต้องรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะเกิดความรู้จริงความไม่รู้คืออวิชาก็ดับไปแล้วกระบวนการทำงานเพราะความไม่รู้หรือที่เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดปฏิจจสมุ ป, ปบาทสายเกิดก็จะดับลงทั้งสายด้วยเพราะมีความดับตามกันทั้งสายของปฏิจจสมุ ป, ปบาท อันเริ่มด้วยความดับของอวิชชาหรือที่เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดปฏิจจสมุปบาทสายดับเพราะฉะนั้นให้พวกเราจับหลักของการภาวนาให้ดีนะงานอื่นใดนอกจากในเครื่องหมายคำพูดการรู้ทุกข์ไม่มีงานดับเวทนาไม่มีงานดับสังขารไม่มีงานหยุดความคิดไม่มีงานที่ว่าทายังไงจะให้ไม่คิดทายังไงจิตจะสงบอยู่แต่ความว่าง